Duh. -huh. อความสุขและความเจริญแต่ยัดยมผู้ไฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้เราก็มา <c oughs> ฟังธรรมกันอีกรอบหนึ่งก็ฟังไป ปฏิบัติไปเราก็ได้บารมีโดยเฉพาะในเรื่องของปัญญาเป็นบารมีก็ต้องดูว่าแต่แตละคนที่บำเพ็ญมาบางคนก็จะเน้นใน เรื่องของทานบารมีก็มีผู้ที่มีกำลังทรัพย์มีศรัทธามุ่งแ่ทานบารมีก็เพื่อในโภคะสมบัติบางคนก็เน้นในเรื่องของการสมทานถือข้าวัด รักษาในสีก็จะมุ่งนะการไม่เบียดเบียนัา น, นเป็นบารมีการไม่เบียดเบียนเป็นบารมีก็เป็นการสมทานรักษาไว้ในข้อศสี ก็คือความประพฤติที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและก็ผู้อื่นถือเอาศีลเป็นข้อปฏิบัติตลอดชีวิตที่เอาสติทำความระลึกในการรักษาศีลอยู่ตลอด บางคนก็บําเพ็ญปัญญาบารมีในการศึกษาธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานในการคบหานักปราชบัณฑิตผู้คงแก่การ ศึกษาการรับเรียนวิชาความรู้ทั้งหลายพร้อมทั้งการคอยเจริญสติกำหนดทำให้แจ้งด้วยปัญญาในเรื่องของรูปนามขันทั้งหลายก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละคน ที่จะสั่งสมบารมีแม้แต่พระพุทธเจ้าของพวกเราเองในแต่ละชาติก็มีการบำเพ็ญหนักเบาต่างกันเหมือนกันอย่างที่เราทราบในทานบารมีก็เน้นในเรื่องของการให้ทานเป็นหลักเน้นในเรื่องของ การอบรมในคันติบารมีก็ใช้ความอดทนนี้เป็นการต่อสู้ทุกอย่างเน้นในเรื่องของวิริยะความภาคเพียรก็จเจริญความเพียรอยู่ตลอดจนกุศลนั้นสามารถรักษาได้ ยังไม่เสื่อมคลายนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติของผู้ที่ปฏิบัติฉะ้ั้นโยมเองเป็นผู้ภาวนาเนี่ยเราก็พอที่จะกำหนดตัวเองได้ไม่มากก็น้อยนะว่าโยมมีคุณธรรม ในชาตินี้เนี่ยเราเน้นข้อธรรมข้อไหนมาก อ, าอย่างเรื่องของทานบารมีบางคนจะเบิกบานในเรื่องของการสร้างกุศลแห่งทานบารมีชวนกันไปให้ทานชวนกันไปทำบุญ ชวนกันไปสละสิ่งของชวนกันไปสร้างเซนาสนะหรือชวนกันไปบูรณนะหรือช่วยในเรื่องของส่วนรวมในสังคมที่ตกทุกข์ได้ยากก็พยายามช่วยเหลือนั่นก็เป็นการบอกว่า ผู้นี้ท่านมีความยินดีต่อการบำเพ็ญในทานบารมีในทานบรนานบรมีก็มีความเมตตาอยู่ด้วยนะก็เหมือนพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญก็หัวใจหลักๆก็คือช่วยเหลือพยายามจะช่วยเหลือ ผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ตกละกรมลำบากแม้แต่ผู้ที่กำลังหลงผิดก็พยายามให้เดินทางใหม่หรือบางทีผู้ที่กำลังขาดสติท่านก็พยายามให้สติได้รู้สึกตัวขึ้น แต่หลักๆ ก, ก็มีเมตตาเป็นเป็นนัยยะสำคัญผู้ภาวนาในขั้นทานบารมีก็เหมือนกันจะมีเมตตาความสงสารความคิดช่วยเหลือเผื่อแผ่จุดนี้จะมีทุกคนนะใครที่มีเน้นเรื่องทานบารมีจะมี อย่างที่โยมได้ทราบมหาอุบาสิกาเนี่ยกนังวิสาขานี่เป็นผู้ที่ยินดีต่อการบริจาคทานให้ทานโดยไม่ขาดเลยจนมีกิตติศัพท์ว่านางสุชาดานเนี่ย ไม่เคยมามือเปล่าเมื่อเข้าในที่พำนับของส ม, มณะทั้งหลายไม่มามือเปล่าอย่างน้อยก็มีน้ำปัะมาถวายนี่คือยกตัวอย่างหรือปัจใจสี่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย นางได้บำเพ็ญบารมีไม่ขาดและผู้ที่เข้าใจทานก็มีความสุขอิ่มเอิบอิ่มใจปิติปรามโมทว่าตนได้เป็นผู้ให้ทานเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภอโยมอย่าลืมนะใครได้สร้างบุญบารมีไปแล้วนะ จงยินดีนะว่าเราเป็นผู้มีโชคเราเป็นผู้มีลาบวันนี้เราได้สร้างเป็นบารมีทานเป็นลาบของเราหนอวันนี้เราเป็นผู้ได้สร้างเหตุอันก่อให้เกิดโภคะสมบัติ ถ้าจิตของผู้ที่บำเพ็ญบารมีเข้าใจในยะแห่งทานสำคัญอย่างนี้ภายในจิตนะจะเกิดปิติจะมีความปิติสุขปรามโมทแล้วขนาดนั้นก็พอยให้จิตผ่ อ, องใสไปด้วยแต่ว่า เฉพาะทานบา ร, รมีนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่สมบูรณ์แบบเราจะต้องบำเพ็ญให้ยิ่งไปอีกเพื่อความสุขอันแท้จริงยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ว่าเรามีแค่โพคะสมบัติ อย่างเดียวแล้วเราจะมีความสุขยมดูบางคนร่ำรวยเงินทองในพูดเป็นเงินเป็นทองจับเป็นเงินเป็นทองคิดเป็นเงินเป็นทองหมดดูเหมือนอะไรอะไรมันก็ราบรื่นไปหมดแต่จริงๆเป็นบารมีที่เขาสร้างไว้ปุเพกะตะปุญจตา บุคคลที่ได้ทำบุญมาแล้วแต่ปางก่อนเป็นวาสนาผู้มีวาสนามาแต่ก่อนถ้าไม่ชัดเอาให้ชัดกว่านี้บางคนเกิดมาอยู่ในโภคสมบัติในกองเงินกองทองเลยเกิดมานี่ก็โอ้โหมั่งคั่งในโภคสมบัติ มีที่ไร่ที่นามีที่สารพัด ท, ที่อยู่อาคารบ้านเรือนเข้าของเงินทองยุ้งฉางทั้งหลายบริบูรณ์หมดเลยถ้าไม่เป็นเพราะบารมีเดิมและยมะเ็นเพราะอะไรเราไม่มีเหตุผลอื่นที่จะตอบเลยนอกเสด จ, จากว่าเป็นบุญเก่าที่เขาสร้างมาดี จริงได้ถูกเลือกเกิดในที่ที่มั่งคั่งด้วยโพคสมบัตทุกคนพอมองเห็นภาพตรงนี้ว่ามันเรื่องจริงโอ้บางคนเกิดมาในอัตคัดขัดสนลำบากคนแค้น พาห่มสักผืนยังยากเลยฝูฝนตกหลังคาก็รั่วแม่แต่พื้นที่จะเดินไม้ก็ผุผุพังพังทางที่จะเข้าบ้านก็กันดานกันดาดบางทีก็อยู่ติดกับน้ำคลาอีกมีกลิ่นเหม็นอีกเห็นไหม น้ำอาบก็ไม่สะอาดอาหารบริโภคก็ไม่ปราณีตเสื้อผ้าแพรพันทั้งหลายที่ใส่เนื้อก็ขาดความาละเอียดบอกเออนั่นมันเป็น วาสนาที่เขาทำมาทั้งดีแลวก็ไม่ดีมาผลส่งก็เลยต่างกันแต่ว่าทานอย่างเดียวแตมาบอกไม่พอแม้จะเกิดในโภคะสมบัติถ้าไม่สมทานเธอเอาศีลเป็นข้อวัดปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเพราะอะไรเพราะจะถูกเบียดเบียน <c oughs> จะถูกเบียดเบียนเอาโยมบางคนดูว่าร่ำรวยเงินทองแต่ว่าสุขภาพร่างกายนี้เต็มไปได้วยโรคพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอโรคยาปรมาราพา บุคคลไม่มีโรคเนี่ยจัดว่าเป็นลาบอันประเสริฐเอาโยมดูสุขภาพของใครที่แข็งแรงนะไม่มีโรคมาเบียดเบียนเนี่ยโอ้สุขเบื้องต้นเนี่ยใครจะกำหนดได้หรือไม่ได้เนี่ยแต่ว่าคนนั้นก็ได้มีความสุขไปแล้วจะกินอะไรก็กินได้ เผ็ดหวานมันเค็มเปรี้ยวกินได้หมดบางคนกินเค็มหน่อยก็บอกไตจะเสียกินหวานหน่อยก็บอกเบาหวานจะกินขึ้นตาอีกอกินมันหน่อยบอกโอ้ไขมันในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลจะสูงไตกีสรายจะเยอะอะไรกันนักกันหนาชีวิตจก จะทำอะไรหน่อ ย, อยแรงๆแม่เดี๋ยวหัวใจจะเป็นอย่างนี้มีความสุขแม่หยบผลลุกขึ้นกับบุบบาบเหมือนหัวเทียนจะบอดเหมือนไฟฟ้าจะตกเนี่ยหน้ามือตาลายเจอฝุ่นหน่อยก็โกคันผื่นไปทั้งตัวเงี้ย ผิดน้ำหน่อยโอ้โหเป็นปื้นไปหมดอย่างเงี้ยไม่ไหวยอใช่ไหมกินอะไรหน่อยโอ้ผิดกินอาหารทะเลก็ไม่ได้แพ้เอา้าอะไรกันนะกันหนาชีวิตยุ้มันปกติไม่ได้หรือจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการนะอยากอยาก อยากจะไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าดูดูมันทำเคยได้ยินใช่ไหมดูดูมันเป็นทีนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นถ้าเป็นอย่างนี้มีความสุขไหมไม่ไมีเดี๋ยวเจอเข็มเดี๋ยวเจอสายยางเดี๋ยวเจอท่ อ, อยางเดี๋ยวเจอ มีดโอ้ตายตายตายจะไปไหนก็บอกต้องกินยาจะไปไหนหลายวันก็บอกต้องไปตามหมอนัดอีกเดี๋ยวดีไม่ดีแอดมิดอีกไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลอีกต้องอยู่ต่อยฉุกเฉินอีกเห็นไหม เพราะอะไรเพราะขาดในการสมทานถือข้อศีลในการปฏิบัติเลยได้มาอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ไงตมาบอกแล้วบางคนอยู่ไปอยู่มาอายุสั้นนะก็คนไม่รักษาศีลในอายุสั้นโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ เพราะอะไรโยมเลยเพราะไปทำให้ผู้อื่นอายุสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ทาลายชีวิตสัตว์มนุษย์โดยกันเขนขฆ่าทำลายและโยมเจ้าอายุยืนได้ยังไงก็เพราะว่าเหตุของเราเนี่ยไม่ได้ทำอายุตะโกเลย ไม่ได้ทำบุญในสิริแห่งอายุเลยนะก็เป็นคนอายุสั้นธรมาเคยสงสัยนั่งว่าอายุยืนอายุสั้นใครกำหนดก็ไม่จบในคำถามหาคำตอบตมาหาจังนะคำตอบเป็นหลักวิทยาศาสตร์หรือเป็น ศัยศาสตร์หรือมันหลักอะไรที่จะชี้ว่าคนนี้คนนั้นอายุเท่านี้เท่านั้นคนนี้ต้องไม่เป็นโรคคนนี้ต้องเป็นโรคคน น, นโร ค, คนนี้ต้องเป็นโรคร้ายคนนี้ไม่เป็นตมาเนี่ยเป็นคนนักสงสัยไง คือเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องหาทั้งคำถามแล้วก็ต้องหาทั้งคำตอบปริมาณแล้วก็ปริมาตรและค่าที่ออกมามันมันมีอะไรบ้างต้องต้องรู้เรียนรู้ไม่ใช่เรียนแบบไม่รู้เรียนจําเรียนจบเรียนยังไงไม่มีปัญญาแต่ต้องเรียนรู้ ให้เกิดปัญญาศึกษาไปเรื่อยๆตมาก็บอก อ, อ๋อเข้าใจแล้วอายุยืนอายุสั้นมันอยู่ตรงที่ว่าคนคนนี้เคยสมาทานถือเอาข้อศีลปฏิบัติหรือเป็นผู้ทุศีนถ้าเป็นผู้ทุศีนทำข้อปานาติบาตบ่อยๆมากๆเข้าบอกได้เลยว่า อายุจัดสั้นแล้วถ้ากรรมนั้นหนักยังไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะเป็นสัตว์ยมสังเกตสัตว์บางชนิดอายุกี่วันนะเจ็ดวันบางชนิดโตหน่อยสามสิบวันเก้าสิบวัน ร้อยวันปีสองปีสามปีสี่ปีก็ไล่ไปยมลองเทียบเคียงดูอายุสัน้นพวกนี้จะสัน้นแต่พว ก, กรรมวิบากของผู้ที่ทุศีนะเบาบางชดใช้กรรมไปแล้วนะพอที่จะมีกุศลวิบากดีอยู่บ้าง ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้อัตภาพมนุษย์แต่อายุอาจจะสั้นกว่าเขานะไม่ถึงหรอกระดับห7เจสิปีอยู่ไม่ถึงแล้วเกิดมาก็จะถูกโรคเบียดเบียนก่อนใช้แล้วใช้อีกใช้ที่กะบอกใช้กันแบบเป็น5้าร้อชาติกันนะที่บใช้กันอยู่นะถึงบอก ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเราเราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องมองอะไรคือกฎกรรมเหตุของกรรมคืออะไรอะไรคือบุญผลแห่งกุศลคืออะไรต้องเข้าใจไม่อย่างนั้นจิตของเรามันไม่มีความซึมซับ ที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่ซึมซับในภาวะของธรรมแล้วก็ไม่ได้ลิ้มรสแห่งธรรมด้วยมันเหมือนสาส์น้ำใส่ใส่องค์ที่ปิดปิดภาชนะหรือฝาไวนะ้เหมือนลิ้นที่ไม่ได้ลิ้มรสเหมือนจะหวัก ไม่รู้รสของแกงค้นอยู่จนโหวตวักนี้เหลืองไปแล้วแต่ไม่ได้รู้ในรสแห่งแกงไม่ได้รู้ในรสของอาหารเห็นไหมช้อนตะหลิวไม่รู้ทูบอกเออพวกเรานี้อย่าอย่าทำตัวอย่างนั้น พ่อธรรมกำหนดได้บอกเออการสมาทานถือเอาข้อศีลปฏิบัติเราจะพ้นเคราะหกรรมอย่างนี้หนึ่งอายุยืนสองอยู่แบบไม่ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแบบสหัสสากันนะไอ้ที่เป็นแบบถูกฝนน้ำมุกน้ำไหลอะไรนี่ธรรมดา ปวดหัวตัวร้อนอันนี้เป็นธรรมดาของอสภาพชีวิตที่่าสี่มันแปรปรวนได้มันเป็นปกติแต่ไม่ถึงกับว่าต้องเป็นโรคร้ายรักษากันแบบต่อเนื่องกันเป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยเดี๋ยว ฉะนั้นอายุยืนแล้วต้องยืนแบบมีความสุขสุขจากการไม่ถูกเบียดเบียนหนึ่งเริ่มจากโรคภัยไข้เจ็บเอาที่ใกล้ตัวก่อนนะแล้วก็สองอนิส้ทงของศีลสุขจากการไม่ถูกผู้อื่นเบียดเบียนเห็นไหมโยม โอ้ถ้าเราไม่ถูกโรคเบียดเบียนเนี่ยใครก็อายุยืนโดยส่วนมากนะพอมีโรคเบียดเบียนเข้าโอ้แข็งแข็งแรงพอหัวใจเป็นปุ๊บเบาหวานมาปาั๊บความดันตามมาปุ๊บไม่ไหวละไม่นานหรอกแข็งแรงอีกได้ก็คงไม่นานแล้ว นี่ถ้าไม่มีโรคเนี่ยโอ้เจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยอาว่ายัางกำลังว่างชาดีหูตาสายตาดีร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงดีออดีกว่าคนที่มีโรคถูกเบียดเบียนแล้วกัน ต่อมาก็ออกจากตัวเราก็คือคนรอบตัวถ้าเราอยู่แบบคนรอบข้างไม่เบียดเบียนโยมเป็นไงสบายมีลูกลูกก็กระตันอยู่พอเติบโตหน่อยทำการทำงานก็รู้จักทดแทนคุณ เ, เห็นไหมโยมดีไหม ลูกหลานก็กระตันอยู่เหมือนมาเยี่ยมคอยเอาอขนมนมเนยมาฝากเสื้อผ้าอาพรมาฝากอเอาปัจจัยมาช่วยเออเพื่อนฝูงเจอก็เพื่อนดีๆ ไม่ใช่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนหลอกเพื่อนลวงเพื่อนคดโกงเนี่ยหรือเพื่อนมาให้ร้ายอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ถูกหลอกเหตุตรงนั้นเราก็ไม่เจอคนผ่านเพราะอะไรเพราะธาตุไม่เหมือนกันอาโยมอย่าลืมนะคนเราเนี่ยถ้าธาตุมันไม่เข้ากันเนี่ยคบกันพักเดียว เดี๋ยวก็เลิกคบกันเอาคนไม่กินกับคนกินคนไม่เสพยากับคนเสพยาคบกันได้ไม่นานเดี๋ยวก็มันไปกันไม่ได้ความคิดความอ่านการกระทํามันจะไปกันคนละแบบอย่างคนนักเลงอันธพ า, านเดี๋ยวจะไปชวนให้ไปตีกันเดี๋ยวสารพัด บัณฑิตเขาไม่เอาเขาไม่คบด้วยคบไปสักพักหนึ่งก็บอกคนละทางแล้วล่ะนั่นมันไปนรกแล้วสุดท้ายก็กค่อยห่างเหินกันเลิกคบกันคนเสพเพเทเมาคนติดจาคนชอบเล่นการพ น, นันคนนักเลงชอบชกต่อยตี คนเจ้าชู้เงี้ยไม่ไปกันไม่ได้ละไม่ค่อยทำมาหากินชอบลักขโ ม, มยเงี้ยคดโกงผู้อื่นเนี่ยไปกันไม่ได้เหตุตรงนั้นเนี่ยของเราจะไม่มีเราไม่ถูกคนรอบข้างเคียงมาเบียดเบียนทำลายเราเราก็มีความสุข แบบมีชีวิตแบบปกติไม่ใช่เช้าก็เอาแล้วคนนี้มันนินทาให้ฟังเป็นชุดพอเที่ยงมาอีกชุดมันจะไหวหรือโย่อมเออถ้าพ่าเป็นเพลงชุดใหม่มันก็น่าฟังใช่ไหมออกวางตลาดแล้วค่ายใหม่มาแล้ว อันนี้อะไรนินทาเป็นชุดด่าเป็นชุดฟังกันไม่ไหวมันกันนี่เราไม่ถูกเบียดเบียดจากในตัวเราคือโรคภัยไข้เจ็บอายุยืนคนข้างเคียงก็ไม่เบียดเบียดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงภรรยาบุตรโอ้โหความสุขอย่างนี้ ถ้าได้ทำทานด้วยเห็นไหมโยมเอาละมีฐานะขึ้นมาด้วยโยมลงบวกดูระหว่างบาเพ็ญทานบารมีกับสมทานถือข้อศีลปฏิบัติพอสองอย่างนี้มารวมกันเข้าปึ๊บโยมนึกดูสุขภาพดีอายุยืนไม่ถูกโรคเบียดเบียนไม่ถูกคนข้างเคียงเบียดเบียน การทำมาหากินอาชีพการงานการหาทรัพย์ก็อุดมสมบูรณ์ตามบารมีที่เราสร้างไว้โหยมได้สองข้อนี้ต่ ม, มาว่าสาธุนะสาธุจริงๆแต่ถ้ายมขาดในข้อใดข้อหนึ่งบางคน โ, โหสุขภาพ ถือศีดีทานไม่ทำโอ้โหเป็นจับกังนี่กล้ามเป็นมัดแบกโอ้โหก็สารร้อยกิโลแนวะิ่งท่าเรือไม้กระดานพาดแค่แผ่นเดียวขึ้นเอาใช่ขึ้นตู้รถไฟแบกร่างกายดีแข็งแรงนะแต่จนนะ ลำบากยังไม่ถึงเครื่องวันเลยเหงื่อท่วมตัวยงคิดแต่มาเห็นและสงสารกันแต่ว่าก็ได้แค่สงสารเพราะเราช่วยคนทั้งโลกไม่ได้หรอกที่พูะเจ้าได้ตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันก็ใช่ เขาก็เป็นไปตามยถาชีวิตที่เขาได้ทำเราไปเปลี่ยนเขาก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนชีวิตเขาทั้งชีวิตไม่ได้แล้วไม่ได้เขาต้องไปตามแบบชีวิตที่เขาเคยเป็นมาเหมือนโยมจะจับปลาบอกเออ มั น, นอนเบาดีกว่านะไม่ต้องไปแช่น้ำให้เปียกหวังดีปลาจะตายออานามันตามาเคยหวังดีไม่รู้ได้บุญหรือหรือได้บาปโยมฟังแล้วคิดเองใจก็เมตตานะแต่ขาดปัญญาหรือไม่รู้ก็แล้วแต่โยมคิดพอไปอยุธยาผ่าน เห็นปลาถูกจับขังอยู่ในตู้ปลาเงินปลาทองปลาโอ้โหสวยสวยทั้งนั้นเลยเกิดสงสารนึกขึ้นเขาคงต้องการอิสระนะไม่ต้องการมาแหวกว่ายอยู่ในตู้ให้คนนั้นมาดูว่าสวยเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเอาเดี๋ยวเราไปช่วยเขาเสร็จหน่อยเอาล้ซื้อเหมาเขาเลยวันนั้นหมดไปหลายพันเหมือนกันจ้ พอซื้อเสร็จอันตะมาไปไหนโยมรูม้มไปปล่อยในแม่น้ำแม่ดีใจปลาไววต้องดตุง้งติ้อีกตัวหนึ่งไปคลื่นซัดเข้าฝั่งอยู่เลยทาไมมันจะรอดไหมเนี่ยเออเราช่วยถูกหรือเปล่าปลาพวกนี้มันไม่มีกำลังเดี๋ยวไอช่อนไอดุกบากรดมาก็คงจะต้องถูกกลืนแน่ เอาคิดแค่ว่าเอาบุญเล็กกันไหนๆก็ปล่อยแล้วเอกจะเป็นไงไงก็เป็นของเองแล้วนั่นฆ่าไปแล้วเออตัวไหนที่แข็งแรงที่เป็นพันที่มันพออยู่กับน้ำไหลเชี่ยวได้มันก็ไปตัวไหนที่ไม่แข็งแรงอาตมาก็ว่าไม่รอดนั่นคิดช่วยเลยนะแต่ว่า ปลหางนกยูงเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันบางชนิดต้องอยู่น้ำนิ่งอาจจะอยู่ในสระอยู่ในวังที่น้ำไม่ไหลเออตอนหลังก็เข้าใจเขาถูกถูกสร้างมาให้เป็นอย่างนี้จิงเอาความสวยมาเป็นตัวประดับ แล้วคนก็ยินดีซื้อมาดูในตู้แล้วก็ให้อาหารเลี้ยงดูก็สมัยก่อนเราใช้ลูกน้ำลูกลูกยุงอ่ะยังอ่อนๆเลี้ยง๋ยวนี้ก็พัฒนาการใหม่ก็มีเป็นอาหารสำเร็จไม่ต้องไปซื้อตัวลูกน้ำมาก็ไม่รู้พอปล่อยไปได้ครั้งสองครั้งก็ได้สติบอก มันไม่ใช่แล้วล่ะคิดได้ไม่ใช่แล้วชีวิตเขาเขาต้องอยู่แบบตรงนี้เราไปลงแม่น้ำทะเลเนี่ยเขาไปไม่รอดเหมือนกันต่อแต่นั่นมาต่อมาก็หยุดหยุดซื้อแล้วก็ไม่ปล่อย ป่านนี้ก็คงไปสวรรค์หมดแล้วมั้งนี่หวังดีนะก็เลยเข้าใจว่าเออเราเราช่วยไม่ได้ที่จะปลดปล่อยให้ท่านพ้นจากชะตาตรงนี้มันไปฝืนบางอย่างมันก็ เอาว่าถ้รู้ว่าเข้าใจว่าเป็นไปตามนยยะของวิบากกรรมของสัตว์นั่นๆถึงบอกเอาปลามานอนบนเบาะแล้วก็ป้อนอาหารนะมันก็ไม่อยู่หรอกมันก็ขอเลือกอยู่ในน้ำเหมือนกันชีวิตบางคนเนี่ยได้แค่รักษาศีล ร่างกายไม่มีโรคแข็งแรงโอแต่อาบเหงื่อต่างน้ําทํางานงกงกงกงกบางคนก็พอเลี้ยงชีพได้แม้แต่นักปฏิบัติในที่นี้แต่มาก็เชื่อนะบางคนรักษาแต่ศีลไม่ยินดีต่อทานไปเข้าใจแค่อย่างเดียวว่าถ้าเรารักษาศีลเราก็พอแล้วเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่ทําร้ายใคร เราก็เป็นผู้มีบุญแล้วเออคิดอย่างนั้นก็จนอย่างเงี้ยก็เพราะคิดอย่างนี้จริงๆนะออได้มาได้จริงๆไ ด, ได้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงไม่พิการโรคภัยกคเจ็บขั้นรุนแรงไม่เกิดแค่เจ็บหัวตัวร้อนธรรมดากินยาก็หายแต่ว่ากว่าจะได้เงินมาสักหมื่นสองหมื่นเนี่ยโอ้โห เหมือนต้องนับเดือนนับปีนะเป็นเพราะอะไรเพราะบารมีทานนะเราไม่ขนขวายเลยไม่ได้ทำไวนะ้เราได้ข้อศีลเราก็ได้อานิส ง, งส์ของศีลอายุเยือนอีกนะแปดเก้าสิบปียมดูบางคนยมไปดู แปดเก้าสิบปีดูยังแข็งแรงอยูนะ่แต่ไม่มีอะไรเลยอย่าว่าแต่บ้านหลังใหญ่ๆแค่เตียงนอนเนี่ยยังไม่มีนะแค่นอนกับพื้นปูเสือ่อนอนหมอนพาหมก็เก่าค่ำค่าลวนั่นคือ ชะตาของเขาอย่างนี้ฉนันยมทำอะไรให้มันสมบูรณ์หน่อยอย่าเดินขาเดียวยมบอกขาขวาดีกว่าขาซ้ายก็เอาสิบอกยมบอกมือซ้ายดีกว่ามือขวาก็เอาสิแต่มาบอกขอสองเลยใส่เส้นใส่งอกด้วยให้มันครบ ยมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวแมเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นไม่ใส่ฟังใหม่ดิเอาแต่งอกขาวแล้วมากินก๋วยเตี๋วยังไงนะสั่งคนๆหรือเปล่านะันฉันทำให้ครบทั้งสองศีลก็รักษาทานก็ทำไป มากน้อยยอมทําไว้เขาเรียกเกื้อกูลกันขาซ้ายขาขวาสัมพันธ์กันมือซ้ายมือขวาสัมพันธ์กันอย่าไปสุดโต่งว่าเอาอย่างนี้อย่างนั้นไม่เอาตามาบอกยมไม่เข้าใจชีวิตยังต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้น แขนขาทุกอย่งอางอวัยวะน้อยใหญ่สำคัญหมดโยม อ, อย่าไปตัดนะว่าตัวนี้สำคัญน้อยกว่าฉันไม่เอาเหมือนบางคนมาถามตารมาพระอาจารย์โยมจะทำบุญทำบุญสร้างอะไรดีนะที่ได้บุญเยอะที่สุดบอกตามาบอกโยมบุญนะ่ะมันดีทุกอย่างแต่โยมจำไว้ถ้าจะให้ดีสมมติโยมกำลังมานะ วัดหรือที่ตรงนี้หลังคารั่วอยู่เปลี่ยนหลังคาได้บุญมากที่สุดโยมมาตรงนี้ที่นี่กาลังขาดแคลนอาหารโยมซื้อข้าวปลาอาหารมาบุญได้เยอะที่สุดตอนนี้กาลังหนาวไม่มีผ้าหม่มยุงกัดเยอะ น้ำคลัเยอะไม่มีมุง้งโยมซื้อมุง้งซื้อผ้าห่มมาบุญได้เยอะที่สุดโอมาจังหวะกับคนนี้กําลังป่วยโยมไปซื้ อ, อยู่ซื้อยาหรือพาไปหาหมอหรือเอาหมอมารักษาบุญนั้นได้เยอะที่สุดทําไมจึงใช้คํานี้ไม่ใช่ทํามาเอาตามเหตุการณ์แต่สิ่งที่ต้องการมากที่สุดเวลานั้นที่จะดับทุกข์ได้นะ ดับทุกข์ให้กับใครได้เวลานั้นนั่นแหละคือยอดของกุศลเป็นมงคลที่สุดแต่ถ้าจะทําบุญให้สูงสุดในสูตรไปดูก็ถวายมหาสังฆทานซึ่งอย่าลืมว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและมีบรรดาอารหันที่บรรลุธรรมแวดล้อมอยู่และถวายพัฒฐารในเวลานั้นเรียกว่าเป็นการถวายมาสังฆทาน ไม่จอด จ, จงองค์ใดองหนึ่งถวายหมดมีเป็นร้อยเป็นพันก็ถวายครบหมดแต่โยมไม่ไปเข้าใจว่าเอาถังมากนละถังบัดนี้มีพร ะ, ะจัดมาเก้าถังนี่มลพระองค์ไหนมาก็ได้ไม่จอด จ, จงนี่คือถวายสังฆทานบอกยังไม่ใช่ครบองค์สงห้าขึ้นไปสี่ขึ้นไปหมู่สองใช่ แต่ถาวายสังฆทานถ้าวัด น, นั้นมีพระอยู่ยี่สิบยมเอามาเก้าถังยังไม่ใช่อีกสิบเบรูปยังไม่ได้รับยังไม่เจาะ จ, จงแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงแต่ถ้าถาวายแบบในโรงทานเลยพอช้ามาพระทุกรูปต้องออกมาฉันครบหมดทุกรูป นั่นแหละคือการถวายสังฆทานอันแท้แท้แบบดั้งเดิมในครั้งพุท ธ, ธากาลยังไม่มีถังเหลืองหิ้วมานะเนกาแฟยังไม่มีดังนั้นแฟบยังไม่มี น, น้ำปูนน้ำปลาใส่ถุงหัวกระเทียมมีพริกจัดเหมือนก็เป็นเครสตมาเลยนะมีอย่างละจิบอย่างละจิบมา ตมาก็ไม่เข้าใจทำบุญเอาเครสเสียแล้ดดเดี่ยวทำบุญต่อชะตาทำบุญสะดอเคราะห์ทำบุญเอาเครตทำบุญไล่าลาหูหรือเปล่าก็ไม่รู้ตมาว่าทำบุญด้วยใจที่เป็นบุญนั่นแหละคือบุญยงจำแค่นี้พอตอมาไปถ้าเห็นตรงไหนขาดตมาจะช่วยตรงนั้นโอ้ท่านกำลังขาด น้ำอยู่พอดีถ้าซื้อน้ำถวายวันนี้พรุ่งนี้ก็หมดคุดบอ่อเจาะบาดาลใช้ทั้งชีวิตก็ต้องดูว่างบพอไหมีนที่พูดนี่คือว่าระยะยาวแต่ถ้าระยะสั้นก็ซื้อน้ำมาถวายดูกำลังของผู้ทมด้วยเห็นไหม ถ้าตรงนี้บอกเจาะไม่ได้ซื้อที่เก็บน้ำมาให้ท่านเป็นถังมาพอฝนตกท่านต้องรองน้านะหน้าฝนเอาไว้ดื่มไม่ต้องซื้อแล้วถ้าท่านอยู่ที่ตรงนั้นแสดงว่าที่ต้องกันดานเลยนะถ้ากันดานมลภาวะก็ไม่เยอะน้ำฝนดื่มได้ถ้าถึงกับใช้น้ำฝนดื่มที่ต้องกันดานนะ บุรลภาวะก็น้อยอย่างนี้เป็นต้นโยมทำอะไรก็ได้ใจเป็นบุญและทำตรงนั้นเนี่ยให้เห็นประโยชน์ในเบื้องหน้าเลยได้แหมดีที่สุดบางคนบอกชีวิตนี้จะทำบุญอย่างเดียวคือสร้างพระประธานแตามามบอกใครสอนใครสอนแน่หรือว่าบุญเยอะที่สุด สุดท้ายเห็นนั่งพระประธานสาราล้างอยู่เนี่ยเยอะจริงเหรอโอไก่มาแล้วเอาเศษยามาตามมาวางไว้ไข่เะมันไม่ใช่นะ่ะทำสิ่งที่ก่อให้มีประโยชน์นั่นแหละบุญเยอะที่สุดแต่มาไม่ได้พูดว่าพระประธานไม่ดีนะแต่ไม่ได้หมายว่าต้องอย่างนั้นตลอด อะไรก็ตามที่ประโยชน์เยอะที่สุดใช่แล้วใช่ตรงนั้นแหละคนหนาวโยมมีเสือ้อผ้ายเขาคนหิวมีอาหารให้เขาคนเจ็บป่วยมียุกยารักษามีหมอให้ใช่แล้วโยมโยมทำบุญได้ปัญญาด้วยแล้วก็ถูกจุดด้วยคนเป็นผื่นคันโยมไปเสื้ออะไร ซื้อข้าวเกี่ยกุ้งมาถวายเนี่ยนะโอ้ตรรมาบอกซื้ อ, อยากแก้คันให้ท่านดีกว่านี่คือสมมุติฉ้นั้นที่เราตั้งใจจะทำตลอดถึงถวายสังกทฐานที่จามาดูอยู่ถ้าศึกษาในประวัติจริงๆมาสังกัฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็คืออาราคันแวดล้อมมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและถวายนั่นเป็นบุญที่มากที่สุดดีกว่าถวายแค่รูปเดียวองค์เดียวความหมายเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นหมู่หมูส่ส่งไม่เฉพาะเจาะจงแต่รู้ว่าใครอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าเป็นประมุกอริยะสงแวดล้อมอยู่ นโยมมถวายอาหารมื้อนั้นแต่มาบอกใครได้ถวายมื้อนั้นมื้อเดียวนโยมนะโหบุญไม่รู้ไม่รู้เท่าไรที่โยมจะต้องเสพ บ, บุญนี้ทานนี้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นอีกอนเนกอันนั้นในภพที่วังวนอยู่ไม่รู้เท่าไหร่เพราะกว่าจะได้อาหารหันรูปหนึ่งหรือสักองหนึ่งนโยอมโหบาง ถ้าเกิดผิดยุคไม่ต้องพูดเลยไม่มีหรอกวันนั้นได้ถวายพระอระหันต์เป็นพันเป็นหมื่นโยมคิดเนี่ยโอ้โหต่อให้เกิดอีกล้อยชาติหมื่นชาติเราคงไม่ได้เกิดอยู่ในตรงนั้นเลยได้ถวายทานกับมือตัวเองนะโอ้เขาให้มีสักวันได้โย วันเดียวพอจะมาไม่ขอสองวันหรอกเต็มเต็มเลยทำเสร็จแล้วอยากตายวันนั้นเลยเพราะอะไรจะไปเสวยบุญแล้วไม่ใช่อยากอายุสั้นนะอยากจะไปเสวยบุญแต่ว่ายุค ข, ของพวกเราเนี่ยคือยุคกำลังสร้างบารมีของพวกเรานี้มาสร้างบารมีเพื่อให้บารมี เต็มเปลี่ยมในภายภาคหน้าฉะนั้นทานกับศีลเนี่ยอย่าทิ้งเขาเรียกบุญทานอย่าทิ้งอานนี้สงของศีลยมต้องรักษาไว้พอรักษาได้ดีเนี่ยโหจะเกือ้อกูลให้เรามีความสุขทั้งร่างกายและความเป็นอยู่เหลืออย่างเดียวเติมให้เต็มจิตใจ เห็ไหมเราสบายแล้วร่างกายและการเป็นอยู่ไม่ถูกเบียดเบียนไม่มีโรคเบียดเบียนร่างกายสบายการเป็นอยู่พภคะสมบัติก็พอมีจนถึงก็ว่ามั่งมีขาดยังเดียวเติมให้เต็มคือจิตใจบนสุดท้ายตรงนี้โยมต้องบำเพ็ญ เป็นขั้นสูงสุดแล้วแล้วขาดไม่ได้นะต้องมีว่าวิริยะบารมีทำบุญนั้นให้เกิดรักษาบุญนั้นให้ได้และเจริญคุณสนนั้นอย่าให้เสื่อมโอโห่สามสถานนี้ถ้ายมทำไม่ได้นะใจนี้เย็นพอพูดถึงใจเย็นไม่มีใครเกินไม่ใหญ่ก่อนอนะตมาอะตมาบอกหลายครั้ง เย็นจริงๆหน้าใสเป็นโยมนะโยมผู้หญิงอายุประมาณหกสิบขาดเกินก็ปีสองปีหน้าใสไม่ใหญ่ก่อนหน้าใสมองนี่เย็นแต่มามองโยมหน้าเย็นใจสบายใจเขาบุญจับแต่มามองคนนี้บุญจับ และชอบในเรื่องการให้ทานเลกษาศีลภาวนานั่งก็นั่งเย็นพูดจาก็เย็นเย็นเย็นไปหมดไม่เคยพูดร้อนเลยนะใครจะมาร้อนอยังไงก็ตามพรหมไม่ใหญ่ก่อรฟังไม่ก่อนจับมือรูปเย็นเย็นเย็นเยค่อยค่อยพูดการเย็นจริงๆขนาดพระยังโดนไม่ใหญ่ก่อนบอกใจเย็นเย็นท่าน พระยังทนโยมเตือนเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นกว่าพระซะอีกเย็นตมาที่รู้ว่าเย็นมากที่สุดก็วันหนึ่งนัดกันจะไปทำบุญแม่ใหญ่ก่อนก็จะไปด้วยนัดกันเก้าโมงมาสิบโมงนะตมาเย็นไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันงานเขาแม่ใหญ่ก่อนเดินหน้าใสมาเลย พอเห็นบอกรีบรีบเลยขึ้นรถเฝ้าไปใส่เป็นว่าดิโอกครีบไปไหนโอ้โมเมนรีบเลองานมันจะมันจะไม่ทันน ะ, ะไม่รู้ท้อนรู้เย็นเลยนั่งเย็นต่ออีกแต่มาบอกเชื่อแล้วเจ้านี้มันเย็นจริงๆเนะี่ยแล้วเวลาตายก็โอ้โหตายแบบมีความสุขอาเจียนสองครั้ง นอนบนนมือตายตายอยู่ใต้ท้ายรถ ด, ด้วยนะรถปิกอัพวันนั้นเขาไปอำนาจเจริญก็ไปทำบุญอีกนั่นแหละมีที่ไหนไปภาวนามีที่ไหนมีพุทธาพิเศษและม่หยกรนนะไปให้รู้เถอะไปเห็นว่าขากลับอาเจียนครั้งหนึ่งโยมที่อยู่ไปด้วยเสียคนก็รูปหลังครั้งที่สองมีเลือดออก แล้วก็ให้ล้มตัวนอนสักครู่พนมมือยกมือพนมมือนะพนมมือไหวรู้สึกจะพูดกับเพื่อนว่ารู้สึกว่าเห็นพระแล้วก็หยุดไปเลยตายง่ายตายตายอะไรขนาดนะั้นตายแบบโยมที่อยู่ข้าลังบอกถ้าตายอย่างนี้นะพระอาจารย์โยมอยากเกิดทุกชาติ โยมก็พูดคำนี้บอกโอ้พระอาจารย์ถ้าตายง่ายอย่างนี้นะโยมอยากเกิดอีกตายไม่เจ็บสักแอะเลยตายไม่ร้องสักแอะอเออไม่ใหญ่ก่อนนี่บุญเยอะเย็นจริงๆเนะี่ยเหลืออย่างเดียวสร้างกุศลให้จิตเนะี่ยมีความผ่องใสมีความเย็น มีความสะอาดมีความนิ่งมีความสงบเบื้องต้นยมต้องทำขั้นนี้ให้ได้ก่อนจิตเย็นจิตนิ่งจิตสงบจิตสะอาดแล้วก็จิตที่เป็นกุศลแล้วพอจะเห็นความผ่องใสอยู่ภายในใจของตัวเองอยู่เนืองๆทำให้เป็นนิสัยต่อจากนั้นก็เริ่มใช้สติกำหนดหัดหัดละหัดวาง อะไรที่ยึดมั่นมากก็หัดวางเอาไวบ้างอะไรที่มันทุกข์มากๆเอาสติกําหนดทุกข์อะไรทุกข์เพราะเหตุอะไรอะไรจึงทําให้ทุกข์เริ่มกําหนดทุกข์แล้วขั้นนี้ใช้ปัญญาถ้ายมทําได้อย่างนี้ต่มาบอกไม่นานหรอกพอเริ่มใช้ปัญญาพอทุกข์เกิดเริ่มกําหนดเหตุของทุกข์ทุกข์เกิดเพราะอะไรและจะดับได้อย่างไร เริ่มกำหนดแลละเริ่มกำหนดรู้ทุกเหตุของทุกถึงบอกสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นสูตรที่ต้องใช้ผสมผสานกันถ้าเราฟุ้งซ่านนองรำคาญใจแล้วมันไปไม่ได้ละไปคนละทางแล้วถ้าวกเวกโวยว้จะเอาชนะไม่ยอมแพ้แล้วไปแล้ว สติไม่ละลึกแล้วใจไม่ตั้งอยู่กับธรรมแล้วไปอยู่กับความแค้นความพยาบาทความเจ็บปวดความเสียอกเสียใจความเสียดายความไม่รู้จักยอมเนี่ยไปไม่ได้แล้วตึงว่าบุญอีกอย่างได้ยมจะทำให้สำเร็จเรื่องกิตตัวเนี่ยเป็นประการที่สูงสุดเลย รักษาให้ได้อย่าให้บุญนี้เสื่อมจากหัวใจของเราโยมจะทำอะไรก็ตามวันวันนี้จ ะ, จ, จะเจอจะเจอจะพบปะอะไรก็ตามรักษาให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราสติต้องระลึกให้ได้จิตต้องตั้งให้ได้บุญที่เคยทำมาอย่าให้เสื่อมนึก รักษาจิตไว้อย่าให้จิตตกถ้าจิตตกกำลังจิตนั้นก็หมดนะไม่ได้ทองบอกเออบางวันบางคนเดินหน้าใสาหน้ายิ้มมาบางวันคนนี้เดินหน้าเขียวหน้าแห้งเหมือนเหมือนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแบกทุกมาแล้ว แบกหนักมาด้วยนะบางคนเดินอมยิ้มมาแม่เอาความสุขมาเจือจานกันใหญ่อลยอารมณ์ดีพอตกเย็นชวนกันไปทานข้าววันนี้เลี้ยงเองเห็นไหมพอใจดีนะ่อยากจะให้พอใจร้ายอยากจะขออยากจะเอายมสังเกตดูนะแล้วยมปฏิบัติธรรมยมดูใจยมเป็นไหมพอใจดีนะ รู้สึกอยากให้คนอืนมีความสุขพอเราเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยแต่มาบอกนี่คือจิตของผู้ประเสริฐนี่คือนักปราชญ์ถ้าเมื่อไหร่ยมเห็นความสุขคนอื่นเกิดและยมมีความสุขน่นั่นแหละยมไม่ใช่ธรรมดานะแต่เมื่อไหร่เห็นคนอื่นมีความสุขแล้วเราอึดอัดเราขับแค้นใครจเจริญกว่าเราหงุดหงิด เราไม่รู้สึกยินดีแสดงว่าจิตของเรานี้ไม่เป็นบัณฑิตนักปรากต้องเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็เออสุขด้วยเห็นใครได้ดีเออเราดีใจด้วยเห็นใครหมดทุกเราสาธุด้วยถ้าจิตเป็นอย่างนี้นั่นแหละ เป็นจิตของผู้ที่มีเมตตาตลอดแล้วดีถ้าโยมไปเห็นคนอื่นก็ทุกข์อยู่แล้วเราไปดีใจด้วยแต่มาบอกมันกลับหลังและละชีวิตนี้ไม่เอาคำสาปแช่งคนนั้นคนนี้ขอให้เขาเป็นอย่า ง, ง น, นั้นอย่างนี้โยมเลิกเลยนะจิตดวงนั้นให้มันดับไปใช่ ขอให้ทุกคนจเจริญทุกคนมีความสุขเราก็ยิ่งดีใจเราก็มีความสุขด้วยจิตของผู้ที่ภาวนาจ้องมีคำว่าอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาอย่าลืมคำนี้นะบอกใครเป็นคนดีใครเขาได้ดีใครเขาจเจริญแล้วนะตมาจะรู้สึกดีใจด้วยนะ ที่โยมดีขึ้นเจริญขึ้นสุขสบายขึ้นโวทนากับโยมด้วยนะจิตต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พอคนเขาตกละกรรมลําบากเราบอกสมน้ําหน้ า, าพอคนที่เขาได้ดิบได้ดีเราบอกเขาวันหนึ่งก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะ แสดงว่าเราไม่ได้รักษาความเพียรที่เจริญกุศลโดยไม่ให้ย่อหย่อนไม่ให้เสื่อมคลายและไม่ให้เสื่อมลงรักษาไว้ตื่นขึ้นมาเช้าปุ๊บจิตต้องเป็นกุศลจิตต้องมีสมาธิจิตต้องตั้งมัน่นสติต้องระลึกใจต้องรู้ชีวิตต้องตื่นเพื่อทำความเพียรต่อ นี่คือขั้นของบารมีแห่งปัญญานะถามว่ายากไม่ยากยากเพราะมันกว้างมากที่เราจะต้องคอยเจริญอบรมจิตยอยู่ตลอดเอานะก็สมควรเวลาขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ